มงคลชีวิตมงคลที่สิบเอ็ดการบำรุงมารดาปิดามาตาปิตุอุปฐานางังเอตามังคลมุตตะมังการบำรุงด้วยการล้างเท้า นวดฟันขัดสีให้อาบน้ำและด้วยการมอบปจัจจัยสีให้แก่มารดาบิดาชื่อว่ามาตาปิตุอุปฐานังหรือการบำรุงมารดาบิดาเหตุผลที่ต้องบำรุงมารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นบุพการีหวังแต่ประโยชน์ให้แก่บุตรธิดาเป็นผู้ให้ชีวิตดูแลเลี้ยงดูด้วยความยากลำบากทาสิ่งที่ทําได้ยากแก่บุตรเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรท่านเรียกว่าพรมบุรารเทพหรือเป็นดุลเทพพร้อมให้อภัยบุตรบุรพาจารย์ หรืออาจารย์คนแรกและอาหุนัยยบุคลหรือผู้ควรบูชาของบุตรทั้งหลายบัณฑิตพึงนมัสการและสาการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการอาบน้ำและการล้างเท้าเพราะการป ร, ร น, นิบัตินั้นบัณฑิตจึงสรรเสริญ เขาตายแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ลักษณะการบำรุงการบำรุงดูแลตอบแทนขั้นพื้นฐานก็คือเลี้ยงดูท่านช่วยทำงานแทนท่านประพฤติตามโอวาท ด, ด้วยการประพฤติดีงามในการดูแลทรัพย์สมบัติวงสกุลและเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็มันทำบุญอุทิศให้ส่วนการบำรุงอย่างสูงได้แก่การทำให้ท่านมีศรัท ธ, ธาในพระรัตานาตรยัยตั้งมั่นในศีลธรรมในกุศลธรรมให้ท่านละวางเย้าเรือนออกบวชหรือช่วยเหลือให้ท่านบรร ล, ลุอริยธรรมการบำรุงมารดาปิดาจัดเป็นมงคลเพราะ 1. เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิต 2. เป็นคนดีที่หายาก 3. ตายแล้วมีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป 4. ได้รับความสุขไม่เดือดร้อนใจที่ไม่ได้บำรุง